ได้ประโยชน์บ้างไหมมาอบรมควรจะได้อะไรบ้างนะพระพุทเจ้าตรัสว่าวันคืนแต่ละวันอยาให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยควรจะได้อะไรบ้างอโมคังทิวสังกยิราอเปนะพระหูเกณวา อโมคะอะโมคังอโมคะโมค ะ, ะรู้จักไหมโมคะแปลว่าเปล่าเปล่านะฉันเปล่านะ <c oughs> อะโมคะคือไม่เปล่าไม่เปล่าในนี้คือไ ม, ไม่ไม่ไร้สาระวันแต่ละวันเนี่ยอย่าให้ไร้สาระต้องมีสาระบ้างไม่มากก็น้อยอย่าให้ไร้เลยให้มีบ้างไม่มากก็น้อย อันนี้ท่านตรัสไว้ให้เราตรวจสอบตัวเองแต่ละวันแต่ละวันอโมคังที่ว่สังกิริราอะเปนะอะเปนะคือเล็กน้อยพระหุเกนะคือมากๆาพระหุมากพระหูพดไม่ใช่พดเดียวนี่พดเดียวพระหูพดคือพดมากๆาพระหุอะเปนะพระหุเกนะวา ไม่มากก็ น, น้อยให้ได้อะไรบ้างนะแต่เชื่อว่ามาคราวนี้เราได้พระหุได้มากได้มากตรงคือได้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็สิ่งที่ได้มากคือคุณภาพมากนะคุณภาพในการได้ได้มากได้ที่ว่านี้พระพุตรเจ้าไม่ได้ หมายถึงได้ผลประโยชน์ในด้านอะไรผลประโยชน์ด้านวัตถุแต่ให้ได้ในการพัฒนาจิตใจตัวเองขั้นตอนแรกที่ควรจะให้ได้ก็คือมีความเข้าใจมีความเข้าใจในเส้นทางในการพัฒนาจิตใจไม่ใช่เอาแต่ขยันแล้วไม่รู้เรื่องเรียกว่ามัว่วไปแบบมัวมัวม่วก็ ถ้าขยันก็ไปไกลผิดทางไกลไปไกลเจนจะกลับกรุงเทพออกไปเลี้ยวขวามันก็ไปเชียงใหม่ใช่ไหมไปตรง น, นี้นะหรือจะไปล่องน้ำไปคิดว่ากรุงเทพไปทางซ้าย <c oughs> ก็ไปเชียงใหม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเขาบอกว่าให้ออกจากนี่ให้เลี้ยวซ้าย เล่นไปทางน้ำํำก็ไปเชียงใหม่ก็ต้องเรียนให้รู้ให้เข้าใจกระบวนการที่เรามาเข้าคอร์สที่เรามารวมกลุ่มตรงนี้มีพี่เลี้ยงมาช่วยนิชีแนนีก็คือมาเรียนให้เข้าใจถามว่ามันจะบรรลุทำตอนนี้ไหมมันยังไม่บรรลุใช่ไหมหรือใครบรรลุแล้วนี่ไหมถ้ายังไม่บรรลุก็คือว่าให้เข้าใจแล้วเอาไปทําต่อ กระบวนการในการพัฒนาจิตใจเนี่ยไม่จะหยุดแค่คอสนี้แล้วชั้นพอแล้วคอสนี้จุดมุ่งหมายคือให้เข้าใจแล้วเอาไปทําต่อคอสที่อาจารย์พัฒนาทำเนี่ยมีชื่อเสียงมีชื่อคือคอสเรียนรู้กายใจและส่งเสียงเป็นประจําเสียงดังแต่ได้ผลสิ่งที่คอส นี้แตกต่างจากคอร์สอื่นไม่ใช่คอร์สพวกเรานะคอร์สที่จัดให้เด็กๆนะ่คอร์สเด็กที่อาจารย์รจ็จนานะอาจารย์พจนาสร้างชื่อจากทำคอร์สให้เด็กแล้วเด็กมีความสุขเด็กมีความสุขเพราะอะไรไม่บังคับให้นั่งสมาธิ1่งชั่วโมงไม่ได้บังคับให้เดินจงกรม1ชั่วโมงไม่ได้บังคับว่าต้องกินช้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กมีความสุข ล้วสุดมากคือเล่นเกมที่บ้านเนี่ยถูกห้ามเล่นที่บ้านนะ บ, บังคับให้ทำนั่นให้ทำนี่แล้วเด็กก็ทำนี่จริงๆคือบางทีไปสร้างนี่ให้พ่อแม่ใช้ <c oughs> แต่คอสที่อาจารย์พัฒนาทำเนี่ยนะเล่นเกมเกมที่เล่นเนี่ยไม่ใช่เกมไร้สาระเล่นเสร็จแล้วจะสอน กายเคลื่อนไหวไปรู้ตัวไหมเล่นแล้วสนุกรู้ตัวไหมเล่นแล้วเสียใจรู้ตัวไหมบางเกมนะเล่นแล้วแพ้หรือว่าเล่นแล้วอะไรสู้ก็ไม่ได้อตื่นเต้นรู้ตัวไหมตอนที่เขาจี้ใช่คอร์สนี้เราเล่นเล่นเกมบ้างไหมไม่มีใช่ไหมเพราะเป็นเป็นคอร์สผู้ใหญ่เสียใจด้วย <laughs> <laughs> แต่มีข้อปลอบใจอย่างหนึ่งว่า จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยไม่ได้พ้นพวกเราเนี่ยไม่ได้พ้นไปจากเกมเรามีเกมอยู่เกมหนึ่งที่เราเล่นไปโดยที่ไม่รู้ตัวเคยเล่นเกมไหมเคยไหมแม่ชีไม่เคยเล่นเกมโ <g iggle> ยมเคยเล่นเกมไหมเคยนะเล่นที่ไหนเล่นที่ทํางานหรือเปล่าไม่ได้เล่นนะเกมที่เราเล่นกันเนี่ยเป็นเกมอะไรโยมเล่นเกมอะไร ชอบเล่นเกมอะไรเอ่องี้หรือวเคยเล่นเกมเยอะแยะไปหมดชอบเล่นเกมอะไรไอะไรนะนนคืออะไรไม่รู้ไม่รู้จักเลยขออภัยนะโอมันอยู่ในจอเหรออะไงี้ยอไม่รู้เลย ต, ตาตานะเล่นอะไรเล่นเกมอะไรกระต่ายขาเดียว <c oughs> เล็กเคยเล่นไหม <c oughs> อ, ะอะไรเล่น กระโดดข้ามยางอะไรพวกนั้นะแต่เดีนี้มันพัฒนามีหลายเกมมากขึ้นใช่ไหเกมเหล่านี้เนี่ยมันจะมีกติกาบอกทำอย่างนี้แล้วจะได้แต้มทำอย่างนี้แล้วจะถูกตัดแต้มเล่นเกมนี้แพ้และออกจากเกมไม่ได้เล่นต่อคนเราก็อยากจะให้อยู่ต่อเพื่อเล่นเกมต่อไปทำคะแนนให้มากขึ้นยิ่งดี ทำสถิติใหม่ยิ่งดีเดี๋ยวนี้มีเกมออนไลน์ด้วยใช่ไหมอยู่ๆก็ปึ้งขึ้นมาคนนี้ทำเล่นเกมนี้ได้คะแนนสูงสุดใหม่เขารู้เลยว่าย่ง น, นี้นอนดึกดึกป่านนี้ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเคยเคยไปโชว์กับชาบ้านเา็าเปล่าเกมที่เล่นเราก็จะสนุกกับการทำคะแนน เล่นในห้องแอร์ใครเล่นเกมในห้องแอร์บ้างมีความสบายเล่นแล้วสนุกสบายเคยเล่นเกมกลางแดดไหมไม่เคยเคยเล่นเกมในห้องแคบแคบอึดอัดมีไหมไม่เคยเล่นเกมในห้อ ง, ออ น, องนอนสบายใช่หไหมเล่นชักมืนม่นแล้วก็นอนเลยมีเกมอยู่เกมหนึ่งที่เราเล่นอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวและกําลังเล่นอยู่ด้วย เกมนี่นะเกิดขึ้นมาเล่นเลยตายไปแล้วก็ยังไม่เลิกเล่นน่ากลัวไหมเกมนี่น่ากลัวไหมเกิดขึ้นมาเล่นเลยนะแล้วไม่มีใครบอกกติกาเล่นผิดถูกทําโทษถูกตีบ้างถูกดุบ้างแล้วยังเล่นซ้ําๆผิดอีกถูกเข้าคุกผิดอีกแรงๆถูกประหารชีวิต ตายแล้วเล่นเกมอีกไม่ได้หมดเกมตายไปแล้วไปเล่นอีกในนรกเหมือนโยมไปเล่นเกมกลางแดดสนุกไหมไม่สนุกแต่ต้องเล่นเล่นเกมกลางแดดเนี่ยนะตกเย็นก็เย็นนะใช่ไหมแต่แดดที่เล่นเนี่ยถ้าเกิดเราทําผิดในการเล่นเกมเนี่ยนะมันจะต้องเล่นเกมในที่ที่ไม่สบายนาน รัเจ้าเนี่ยนะตอนเป็นพระเตมีเป็นพระโพธิสัตว์นะท่านระลึกได้ว่าท่านตกนรกเป็นหมื่นปีท่านขยาดขแยงกับการที่ท่านเล่นเกมผิดและต้องตกนรกไปหมื่นปีระลึกได้ตอนที่ท่านยังเป็นทารกแบเบอะแล้วท่านก็บอกในใจตัวเองเลยว่าเอ๊ ทำไมฉันตึงตกนรกไปคราวนั้นเพราะฉันเป็นพระราชาอยากเป็นพระราชาไหมอยากเป็นราชินีไหมอยากเป็นเจ้าหญิงไห ม, มจริงเหรอใครๆก็อยากจะเป็นแ่ะแต่พอเป็นจริงๆแล้วไม่สนุกหรอกพระเตมีเนี่ยเราเลึกชาติได้ว่าเคยเป็นพระราชาแล้วหน้าที่พระราชาเนยเยอะมาก อะไรอะไรก็ปรลุมที่ประราชานี่แหละหน้าที่ที่น่ากลัวก็คือตัดสินคดีตัดสินคดีเนี่ยพยายามจะตั้งใจที่จะตัดสินให้เที่ยงตรงแลยนะมันก็มีพลาดได้สิ่งที่พลาดก็คือไปตัดสินผู้บริสุทธิ์เข้าใจว่าเขาทำผิดไม่ได้มีความลําเอียงในด้านการรักหรือชังแต่ไม่รู้ ข้อมูลไม่พอตัดสินผิดตัดสินคนที่ไม่มีความผิดและไปลงโทษเขาโดยเฉพาะไปฆ่าประหารนี่นะคนตัดสินได้รับโทษด้วยนี่เล่นเกมไม่รอบขอบเกมชีวิตอันนี้นะน่ากลัวนะความน่ากลัวของเกมก็คือว่าไม่รู้กติกาก็ไม่บอกลองผิดลองถูก ที่ท่านดีว่าท่านระลึกชาติได้ท่านรลึกได้เลยว่าเป็นพระราชาแล้ตัดสินผิดแล้วต้องตกนรกเป็นหมื่นปีตั้งใจเลยว่าชาตินี้ไม่ขอรับราชสมบัติแต่เกิดเป็นลูกพระกษัตริย์แล้วเป็นพระราชโอรสแล้วองค์โตด้วยเด็กๆอย่านึกว่าเด็กๆจะไม่รู้ตัวไม่ไม่รู้เรื่องนะเด็กขนาดนี้ก็รู้เรื่องนะมีความคิดนึกได้นะ เพียงแต่ว่าอาจจะสื่อสารไม่ค่อยได้เท่า น, นั้นเองความเดียงสาเนี่ยไม่จํากัดความจําความได้เกิดมาจําความได้ตอนกี่ขวบบางคนเนี่ยนะจําความได้ตั้งแต่ในท้องบอกมืดมากยอมจําได้ไหมรู้สึกว่าไอ้มืดคือนึกไม่ออกมันมัวบางคนจําได้ขนาดนั้นนะมืดในทอ้องเนี่ยมืดและอึอดอัด คนเราเนี่ยเกิดมาทันทีที่มีรูปมีนามนั่นเข้าเกมแล้วถ้าเล่นเกมแล้วอเผอิญได้แต้มดีๆเป็นบุญเกมต่อไปจะได้เล่นเกมในที่ที่สะดวกสบายได้นอนเล่นในห้องแอร์บนเตียงนุ่มๆมีผ้าหม่มนวมอุ่นๆเล่นไปเรื่อยๆใครที่เล่นเกมชาตินี้ เสียแต้มเกมมันไม่โอเวอร์นะเพียงแต่ว่าจบเกมนี้คือร่างกายนี้ตายไปแล้วได้เกมใหม่ต้องไปเล่นเกมต่อในที่ที่ไม่สบายภาษาพระเรียกว่าอาบายอาบายแปลว่าไม่สบายถ้าสบายจะมีภาษาพระคือภาษาบาลีว่าสัปปายะคือสบาย ถ้าได้เล่นเกมในสวรรค์น่าจะสนุกนะร่างกายก็เบาๆเหาะได้ตอนนี้ร่างกายเราหนักๆใช่ไหมตอนนี้หนักกันหลายสิบกิโลไปไหนเดินมากก็เมื่อยนั่งนานก็ปวดเจ็บนอนนานดีไหมไม่ดีนะนอนนานให้นอนตลอดก็ไม่เอาใช่ไหมนั่งกินนอนกินก็ไม่เอาไม่ชอบเรามีร่างกายอยู่ปราบใดยังวนเวียนเกิดไปเกิดมา ในภพทั้งสามรู้จักภพทั้งสามไหมภพทั้งสามมีอะไรบ้างเคยได้ยินไหมเคยรู้จักไตรภพไหมพิธีกรไม่ใช่นะไตรแปลว่าสามภพแปลว่าที่เกิดที่เกิดสามเนี่ยมีอะไรบ้างกามภมาพรู้จักกามไหมกามก็คือความพอใจ ในการเห็นในการฟังในการดมในการลิ้มรสในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งพวกนี้เรียกว่ากามความพอใจความใคร่พอใจในอะไรบ้างก็มีกา ม, มาวัตถุ <c oughs> กา ม, มาวัตถุก็คือรูปสวยสวยเสียงเพราะเพะกลิ่นหอมหอมรสอร่อยอร่อยสัมผัสที่น่าพอใจกามคือความใคร่วัตถุกามคือวัตถุที่น่าใคร่ กามคุณคือสิ่งที่ให้ความพอใจกามให้ความพอใจมีคุณเสพรสอร่อยอร่อยและมีความสุขเห็นรูปสวยๆและมีความสุขฟังเสียงเพราะๆและมีความสุขมันมีคุณแลวเราก็ติดในคุณพอติดในคุณกามไม่ได้มีแต่คุณอย่างเดียวมีโทษ ด, ด้วย คนที่ยังพอใจในกามจะวนเวียนอยู่ในภพเรียกว่ากาลมาภพถ้าหากามอย่างไม่ผิดไม่ผิดกติกาซึ่งกติกาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปนั่นนะถ้าหาหากามมาเสพโดยที่ไม่ผิดกติกาก็ยังได้เล่นเกมชีวิตอันนี้เกมชีวิตนั้นนะในภพที่เป็นกามาภพกามาภพนี่มีหลายระดับเช่น มนุษย์เป็นกามาภพระดับหนึ่งเล่นเกมในความเป็นมนุษย์ถือว่าสุขติอยู่ในภพที่ดีเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็เรียกว่าเป็นสุขติถ้าเล่นเกมแล้วได้แต้มดีๆมีบุญก็อยู่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาในชั้นกามาภพถ้าเล่นแล้วผิดกติกาไปขโมยเขาไปทาร้ายเขาทาร้ายทางก า, ย ท, า, ย, ท า, ง า, ายทำร้ายทางวาจาเคยทาร้ายทางวาจาหมพูด ด่าเขาประชดประชันกระทบกระเทียบเปรียบเปรเยทำหน้าย่อเ ย, ย้ยเคยไหมให้เขาเจ็บใจนะตั้งใจให้เขาเจ็บใจไม่ใช่หยอกล้อกันเองนะหยอกล้อกันเนี่ยเขาไม่เจ็บใจเพื่อนกันเนี่ยด่าเฮ้ยไอ้นั่นไอ้ ai, นี่อะไรนะมันคุ้นเคยกันคํหยาบหยาบบางทีถ้าไม่พูดกับเพื่อนเนี่ยนะ เพื่อนอาจจะไอ้นี่ผิดปกติแต่ถ้าคําหยาบนั้นไปพูดตั้งใจเขาเจ็บใจอันนี้เรียกว่าใช่วาจาแล้วเสียแต้มผิดกติกาไปฆ่าเขาไปขโมยของเขาฆ่านี่มันจะเป็นว่าเขาตายนะแค่เขาเจ็บก็ผิดกติกาแล้วนะคิดจะฆ่าก็ผิดแล้วแค่คิดนี่นะ กติกาเราเนี่ยเราไม่รู้ต่อเมื่อมีผู้รู้คือพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้และมาสั่งสอนเราจึงจะพอจะมีทางเรียนกติกานี้กันถ้าเราหากามในทางที่ผิดเราจะตกไปในอบายอบายมีอะไรบ้างนรกเปรตอสุรกายเดะชะฉานไปเล่นเกมต่อนะยังไม่พ้นเกมนะ ไปเล่นเกมแบบคลานไปคลานไปเล่นตื่นขึ้นมาจะต้องหากินไม่มีคนเลี้ยงต้องหาเองแล้วก็สิ่งที่จะกินได้เนี่ยก็ต้องแย่งกันถ้าสัตว์ไหนต้องกินสัตว์อื่นก็ต้องให้สัตว์อื่นตายเพื่อเลี้ยงชีวิตตัวเองตายขาปากเคยเห็นจิ้งจกกินมแมลงไหมมันไม่ตายก็ฟาดไปฟาดมาปักปักปุ๊ปั ก, ป ก, ป ก, ป ก, ปก ไอ้คนอยู่ในห้องก็เฮ้ยผีเคาะไปเป็นเปรตกินไม่อิ่มสักทีเปรตนะกินอะไรไม่อิ่มสักทีไปเป็นสัตว์นรกอยู่ในภพภูมิที่เดือดร้อนปีนต้นงิ้วใครใครเคยปีนไหมประสบการณ์ปีนต้นงิ้วปีนไปนะหนามต้นงิ้วจะทิ่มทันที และหนามเนี่ยนะจะงอกและฉลาดงอกด้วยตอนที่ยังไม่ปีนนะยังไม่แหลมและอย่างสั้นๆพอปีนปุ๊บมันจิ้มเลยงอกเร็วมากจิ้มแล้วจิ้มไม่พอนะมีอิกาปากเหล็กไม่ปีนก็ไม่ได้ข้างล่างจะมีหมาคอยไล่หนีหมาขึ้นต้นงิ้วก็ถูกหนามงิ้วงอกอย่างรวดเร็วทิ่มจึ๊กขณะที่หนีหมาได้ อยู่บนต้นงิ้วคิดว่าสบายนะอา้าฉันจะทนให้หนามมันจิ้มไปมีอีกามาคอยจิกอีกทรมานนะใครเล่นผิดกติกาเนี่ยจะไปเล่นเกมต่อในสภาวะอย่างนั้นไม่ได้นอนในห้องแอร์ <c oughs> เล่นเกมแล้วนะไม่ได้เปิดคอมหรือเล่นเกมง่ายๆจิ้มๆลากๆอะไรไม่ไม่ใช่อย่นั้นละจะเล่นเกมในภาวะที่ลําบาก และความน่ากลัวก็คือแม้เราจะได้ขึ้นไปเล่นเกมบนสวรรค์เป็นเทวดาแล้วเนี่ยนะเกมมีหมดอายุไม่ได้เล่นเกมนั้นตลอดไปมีหมดอายุเทวดาตายไหมตายได้นะเทวดาหลอกตัวเองว่าเป็นอมรอจะเรียกพวกตัวเองว่าอมรคือไม่ตายมอรู้จักมอนไหมไม่ได้อยู่พมา่านะมอนเนี่ยคือ หมอม้ารอเรือม้อยมอนอะมอนคือไม่ตายแต่จริงตายและเทวดาตอนใกล้ตายนะหน่าสงสารมากเคยเห็นเทวดาตายไหมไม่เคยเทวดาใกล้ตายเลยนะเหงื่อออกรักแร้โยมเคยเหงื่อออกรักแรมไหมแล้วตายไหมไม่ตายเราทนกว่าเทวดานะเทวดาเหงื่อออกรักแร้ตายน่าสงสารนะ เสื้อผ้าเศร้าหมองเดี๋ยวก็ตายโยมเคยใส่เสื้อผ้าแล้วไม่ซักไหมไม่ตายนะ <c oughs> ที่หัวหลาะนเคยใช่ไหม <c oughs> วันนี้ขอค้างไว้ก่อนพรุ่งนี้ใส่กลับด้านก็ได้ <c oughs> ไม่ตายคนทนได้เทวดาทนไม่ได้เหงื่อออกรักแร้ตายหน้าหมองตายโยมเคยหน้าหมองไหม ทาครีมเดี๋ยวก็หายใช่ไหมล่างหน้าทาครีมหน้าเด้งกลับมาใหม่ยิ้มต่อเทวดาเนี่ยนะพอใกล้าตายเนี่ยเหงื่อออกรักแร้เสื้อผ้าเศร้าหมองใบหน้าเศร้าหมองหมองคล้ำหมองคล้ำเทวดาจะมีดอกไม้ด้วยนะดอกไม้ประดับตัวเองดอกไม้ก็เหี่ยวของเราดอกไม้เหี่ยวเราก็ไปเด็ดใหม่ใช่ไหมของเขาเหี่ยวแล้วมันแก้ไม่ได้เพราะเป็นดอกไม้ทิพประจําตัว เทวดาพอเห็นสภาพของตัวเองอย่างนั้นแล้วจะตกใจแล้วก็รีบวิ่งไปหาเพื่อนเทวดาเหาะได้นะต้องเหาะไปหาเพื่อนนะเหาะไปหาเพื่อนช่วยทีช่วยทีเพื่อนบอกช่วยไม่ได้ฉันเองก็ต้องตายเหมือนกันไปหาพระอินทร์สิเหาะไปหาพระอินทร์ช่วยทีช่วยทีพระอินทร์บอกช่วยฉันช่วยไม่ได้ฉันเองก็ต้องตายเหมือนกันถ้ามีบุญหน่อย อยู่ในยุคที่มีพระพุทธเจ้าก็จะไปหาพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าจะสอนให้บรรลุธรรมได้แต่ถ้าเทวดาอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ายุคที่ไม่มีศาสนาพุทธเทวดาจะตกใจแล้วเหาะไปเหาะมาหมดอายุและส่วนใหญ่นะเทวดาพอหมดอายุเนี่ยจะไปไหนรู้ไหมให้เลือกข้อกอ <c oughs> <c oughs> ข้อกอเทวดาตายแล้วเป็นเทวดาอีก ข้อขอเทวดาตายแล้วมาเป็นมนุษย์ข้อขอเทวดาตายแล้วไปเป็นพระพรหมข้ององงงมีไหมช้อยไม่พอใช่ไหม <c oughs> เทวดาตายแล้วตกนรกเทวดาตายแล้วไปอบายแล้วมันจะอยู่ตรงนี้แหละเพราะอะไรเทวดาไปเป็นเทวดาเพราะอะไรทําบุญ ถ้า จ, จริงแล้วตอนเป็นคนเนี่ยทำบุญอย่างเดียวหรือเปล่าพอเสวยผลบุญแล้วบุญหมดแล้วแล้วมันมีแต่ผลบาปเหลือใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสวยผลบาปผลบาปคืออะไรตกอบายเพราะฉะนั้นเวลาเทวดาจะตาย <c oughs> เพื่อนเทวดาด้วยกันจะอวยพรขอให้ท่านไปสู่สุคติสุคติของเทวดาคือมาเป็นมนุษย์ <c oughs> เพราะว่าดูแล้วคงไม่เป็นเทวดาต่อไปหรอก <c oughs> คำอวยพรนั้นจะสมฤทธิ์ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ได้ปลอบใจเทวดาด้วยกันเองว่าขอท่านจงมาเป็นมนุษย์ขอท่านจงมาสู่สุคติคือเป็นมนุษย์แต่โดยมากแล้วถ้าเทวดาเกิดไปแล้วไม่สร้างบุญต่อผลที่เหลือก็คือผลบาปเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตายแล้วได้โชคดีไปเป็นเทวดานะไม่ใช่โชคดีมีบุญไปเป็นเทวดาอย่าประมาทนะ <c oughs> ไปสร้างบุญต่อตอนเป็นเทวดาด้วยแต่เทวดาเนี่ยพอเกิดเป็นเทวดาแล้วจะเล่นเกมด้วยความประมาทเทวดาเนี่ยก็เล่นเกมต่อนะเล่นเกมด้วยความประมาทเพราะอะไรสุขสบายเวลายมสุขสบายคิดจะทําบุญไหมไม่ค่อยคิดนะเศรษฐีทั้งหลายคิดจะทําบุญบ้างไหมน้อยคนนะน้อยคนที่ ตัวเองสุขสบายแล้วจะนึกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตัวเองสบายแล้วจะคิดว่าจะสร้างบุญต่ออยากเทวดาหลายองค์เลยเกิดไปเป็นเทวดาแล้วเพลินเหาะไปเหอมาลืมกินข้าวก็มีมีนะมีจริงด้วยรู้จักโคสกะไหมโคสกะเศรษฐีโคสกะเศรษฐีเนี่ยนะครั้งหนึ่งสร้างบุญ เป็นสุนัขตอนเป็นสุนัขเนี่ยทำบุญก่อนเป็นสุนัขเนี่ยเป็นคนย้อนหลังหลายชาติเลยนะตอนเป็นคนเนี่ยนะเกิดในเมืองแล้วเมืองนั้นมีโรคระบาดด้วยจากโรคระบาดไหมสองโรคสองบาดโรคระบาดเนี่ยมันเป็นกันทั่วเมืองแล้วเขาเลยต้องหนีหนีจากเมืองที่ตัวเองอยู่นั่นน่ะหนีไปปรากฏว่าพา ลูกพาเมียไปด้วยลูกก็ยังเล็กแต่ต้องหนีหนีไปแล้วปรากฏว่าต้องเดินผ่านที่กันดานแห้งแลง้งทะเลทรายเมียกับตัวเองก็ผัดกันอุ้มลูกตอนเมอุ้มเมียก็อุ้มอย่างทนุถนอมแม่มักจะรักลูกอุ้มด้วยความทนุถนอมพ่อก็รักลูกแต่อุ้มนานๆ เมื่อยไหมจิตใจแม่กับจิตใจพ่อเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะพ่อเนี่ยตอนนี้อุ้มอยู่ตัว น, นี้ไม่ค่อยทลายแร้วแต่อุ้มผ่านทะเลทรายออุ้มผ่านที่แห้งแล้งตุลากันดานเลยนะพอแม่เดินเลยไปข้างหน้านะพ่อก็วางละวางโูกใต้ร่มไม้ยัยงมีเมตตานะวางโูกใต้ร่มไม้แล้วก็เดินไป แม่ก็หันมาอ้าวลูกไปไหนบอกวางใต้ต้นไม้ทําไมทําไมทิ้งลูกเราพ่อบอกว่าถ้าเราจะต้องอุ้มลูกผ่านถิ่นกันดาร น, นี้ไปเนี่ยนะคงไปไม่ครบสามคนหรอกมันจะตายหมดทั้งสามคนนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแรงของเราเนี่ยเดินลุยไปเนยนะไม่ต้องมาพะวงกับลูกเนี่ยเราจะผ่านถิ่นกันดารอันนี้ไปได้ ลูกเนี่ยถ้าเรายังอยู่นะยังมีอีกได้บอกกับเมียอย่างนี้เมียบอกว่าไม่ได้ยอมไหมยอมไหมไม่ยอมนะบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาไปตายก็ตายด้วยกันเนี่ยจิตใจแม่นะไม่ยอมทิง้งอุ้มแกไม่อุ้มฉันอุ้มไปอุ้มไปเอ๊นิถาเรื่องนี้นี่จะกระทบใครหรือเปไม่อุ้มฉันอุ้มไปอุ้มไปแล้วแม่ก็หมดแรงเพราะแม่เองก็ ผู้หญิงอะ น, นะก็แรงก็น้อยเอาเธออุ้มต่ออ่ะอุ้มอุ้มต่อผู้ชายก็อุ้มอีกอุ้มอีกก็แอบวางอีกเจ็ดครั้ง <c oughs> ครั้งที่เจ็ดแม่อุ้มตายแล้วตายคนนี้ไม่ได้ใครทําให้ตายนะมันไม่ได้กินอนะผ่านถิ่นกั nd านไม่มีอะไรกินคนและความเป็นเด็กร่างกายมันทนต่อการอดอาหารได้น้อยก็ตายตายก็คราวนี้ ไม่ต้องบอกก็ต้องทิ้งก็ต้องเอาละฝากเทพเจ้ดาตรงนี้ฝากร่างตัวนี้ไปด้วยจากฝังก็หมดแรงฝังไม่มีแรงเดินต่อแรงผู้ใหญ่เดินต่อไปได้จนถึงบ้านคนคนหนึ่งบ้านคนนั้นพอจะมีมีกินก็ขอข้าวขอข้าวก็กินเมียรักสามี เอ๊ะทำไมเรีกเมียกับสามีภรรยาต้องเรียกเพราะทั้งคู่จังภรรยารักสามีให้เกียรติสามีกินก่อนสามีก็ด้วยความหิวอดมาหลายวันอดเกินเจ็ดวันนะอดเกินเจ็ดวันเดืออุตส่าห์เดินไปถลุถึงบ้านคนได้เขาให้อาหารกินภรรยาให้เกียรติสามีให้สามีกินก่อนสามีสัตว์ดเต็มที่เลย แล้วกว็ถึงคิวภรรยาไอ้ความซัดเต็มที่เนี่ยอดมานานใครเรียนหมอมามเป็นหมอหรือปะเป็นหมอใช่ไหมใครเป็นพยาบาลบ้างมีไหม ม, มีหมอคนอื่นอีกไหม น, นี่ก็หมอเหรอโอ้นี่ด้วยเหรออดนานๆนะนะแล้วนะลกินไปเนี่ยมากๆเนี่ยมันไม่ย่อยใช่ไหมมันรับไม่ได้ท้องอืด แล้วกินมากๆเนี่ยถึงตายได้และสามีนี่แหละแต่คนเนี่ยตายก่อนตายนะในระหว่างที่นอนทรมานท้องอืดอยู่นี่นะเห็นหมาของบ้านนั้นคนนั้นเนี่ยเอาข้าวมาให้หมาเลี้ยงหมาก็ลูบหัวหมารูปไปถึงหางเลยหมาก็กินอิ่มอ้วนเนื้ออิจฉาหมา ใครอิจฉามาบ้างไหมใครอิจฉาหมาบ้างโดยเฉพาะหมาฝรั่งคนไทยจะอยากเกิดเป็นหมาฝรั่งหลายคนนะเห็นหมาฝรั่งโูมีกินอร่อยถูกเลี้ยงอย่างดีคนเนี้ยตอนนอนจะตายอยู่แล้วเนี่ยเห็นหมาบ้านนั้นอิจฉาหมาโหหมาบ้านเนี้ยได้กินทุกวันกูนะ่ะอดมาหลายวันพอได้กินก็ปืดจะตาย อิดช้าหมาอยากเป็นหมาดูนะอยากเป็นหมาเพราะอยากเป็นหมายังไม่ทันไรตายตายด้วยความที่อยากเป็นหมาและสมใจนึกได้เป็นหมาดีไหมอยากอะไรได้อย่างนั้นเลยนะเพราะว่าหมาตัวนั้นเป็นหมาตัวเมีย <c oughs> เข้าท้องหมานั้นเลยเกิดออกมาเป็นหมาน่ารักภรรยาเนี่ยพอสามีตาย ลูกก็ตายแล้วสามีก็ตายแล้วก็เลยขออยู่บ้านนั้นรับใช้เห็นข้อดีว่าบ้านนั้นเนี่ยใจบุญให้อาหารตัวเองกินรอดชีวิตมาเพราะฉะนั้นขออยู่รับใช้ต่อไปแล้วบ้านนั้นก็ดีนอกจากจะเลี้ยงคนนะยังมีพระมาบินธบาตพระที่ว่านะไม่ใช่พระธรรมดาเลยนะเป็นพระปัจเจกพพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าคือพระที่ตัดสรตเอง แต่ว่าไม่ได้สอนหรือไม่มีลูกศิษย์ที่มีคุณภาพพอจะสอนคือสอนได้สอนได้ลูกศิษย์รับได้ระดับแค่ว่าทำบุญไม่ถึงขั้นวิปัสสนามามีมรรคผลอะไรหมาที่เป็นอดีตคนเ <c oughs> นี่ยนะก็น่ารักเจ้าของก็เลี้ยงเลี้ยงด้วยความเอ็นดูเพราะว่ามันน่ารักแล้วหมาตัวนี้ มันเคยเป็นคนมาก่อนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้คือชาติเมื่อกี้เนี่ยนะมันก็เลยแสนรู้มันยงังฟังภาษาคนรู้เรื่องให้ทําอะไรมันก็รู้ไปหมดเคยเคยคุยกับหมาไหมหมาบางตัวรู้เรื่องนะพูดอะไรอย่างเนี้ยมันอย่าไปนินทา ม, มันนะรู้เรื่องนะแล้วก็อย่าเอาความลับอะไรไปพูดใกล้ๆหมานะหมามันจําความลับได้นะหมาตัวนี้นี่ก็ แสนรู้เวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่นะเจ้าของบ้านเนี่ยจะเลี้ยงพระบินาบาตเนี่ยนะทุกวันก็จะเอาอาหารใส่บาตรทุกวันบางวันเจ้าของไม่ว่างจะบอกหมาว่าให้ไปนิมนต์พระทีนะเดี๋ยวเราไม่อยู่เราเราไม่ว่างไปบอกพระนะถึงเวลาแล้วอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะมีคนใส่บาตรที่นี่ หมาก็วิ่งจู้ดไปหาพระไปเห่าหมาเห่าเนี่ยไม่ได้เห่ากันโชคนะเห่าเรียกเรียกเสร็จพระท่านก็เดินมาเดินตามหมามีหมานําหมานํานี่เป็นเรื่องดีนะในที่นี้คือหมาเนี่ยแสนรู้พระท่านก็จะลองใจว่าหมามันแสนรู้จริงไหมหมามันเดินนําไปก็แก้งเลี้ยวซ้ายหมาแงะมาเห็นก็ แงะนะแงะหมาแงะนะแงะม่เห็นอ้าวพระไม่ตามวิ่งกลับมาไปดึงจีวรหมาดึงจีวรได้ไหมใช้ปากคาบ mm. ปากดึงจีวรดึงดึงมาอ้าวอ๋อไปทางนี้เหอรอทั้งก็ลองใจหมานะาเดินเดินไปเลี้ยวอีกหมาก็แงะมาอ้าวไม่ตามมาไม่ใช่ทางนี้มาทางนี้ในใจพูดอย่างเง้ย น, นะแต่หมาเวลาพูดบอกมาทางนี้ฮงฮงไปทางนี้ภาษาหมาก็มีเสียงเดียวนะ แล้วเวลาเดินผ่านที่รกๆหมาจะเห่าเขานี้เห่าไล่งูเห่าไล่งูไล่งูทําอย่างนี้นะวันไหนที่ที่เจ้าของขี้เกียจเดินมานี่มลพระจะใช้หมาหมาแล้วทําอย่างนี้อยู่บ่อยๆจนมีความเคยชินกับพระหมาเคยชินกับพระปรากฏว่าวันหนึ่งพระมีธุระออกพรรษาแล้วจะมีธุระ พระที่ว่านี่ก็คือพระบจเจกพุทธเจ้านะท่านก็จะกลับไปทำจีวรพระมีธุระสำคัญอยู่อย่างเดียวคือทำจีวรท่านบอกบอกลาโยมคนนั้นบอกว่าเราจะต้องกลับไปที่ภูเขาลูกนั้นจะต้องทำจีวรเวลาทำจีวรเนี่ยทคนเดียวยากสมัยก่อนไม่มีรงทอผ้ามันต้องใช้คนช่วยกันหลายคน แล้วท่านก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ที่ภูเขาหลายองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเกิดพร้อมกันได้หลายรูปหลายองค์ท่านก็จะเหาะไปเพื่อให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นช่วยกันทําจีวรก็บอกลาตอนบอกลาหมาฟังเข้าใจตรงนี้นะหมาฟังเข้าใจพอบอกลาปุ๊บพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะไปหมาเนี่ยมองแล้วจนลับตา ปจเจ้าหาะไปจนเล็กนิดเดียวหายไปเนะี่ยพอหายไปปุ๊บหมาตายถ่ายซิว่าหมาตายแล้วไปไหนข้อกอ <c oughs> ไปเป็นคนข้อขอตกนรกข้อคอไปเป็นเทวดาแค่ว่าข้อกอแค่ว่าข้อขอแค่ว่าข้อคอเพราะว่าบอกตั้งแต่ตอนต้นเรื่องแล้วใช่ไหม <c oughs> ไปเป็นเทวดา แสดงว่าตอนตายเนี่ยจิตไม่ได้เป็นอกุศลจิตเห็นพระพอพระไปแล้วก็โอ้พระไปแล้วแล้วหัวใจวายตายหัวใจวายตายเนี่ยมันจะเป็นต้องไปอบายนะอย่าไปปางหัวใจก่อนนะ <c oughs> อย่าไปปามหัวใจหมานะห <c oughs> มาตายแล้วไปเป็นเทวดาไปเป็นเทวดามีชื่อด้วยชื่อโคสกะโคศกทําไมถึงชื่อโคศกเพราะเสียงดัง ทำไมถึงเสียงดังเพราะมีบุญตั้งแต่ตอนเป็นหมาเหา่าเห่าเรียกพระเห่าไล่งูเสียงดังเวลาพูดกระซิบนิดนึงเนี่ยนะดังไปทั่วจกกวักรวาลกระซิบนะเพราะนั้นนินทาใครไม่ได้เลยเนาะ <c oughs> เทวดา อ, องค์นี้แต่เป็นเทวดาแล้วลืมกินข้าว <c oughs> ไม่รู้เป็นยังไงเลยต้องตายเร็วตายจากเทวดานั้นเร็ว มาเกิดอีกทีเป็นลูกของนางโสเพณีนางงามเมืองแล้วก็เป็นลูกชายโสเพณีโสเพณีในความรู้สึก ข, ของเราคือไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ยุคนั้นเนี่ยหญิงงามเมืองเนี่ยนะเป็นตําแหน่งที่มีเกียรตินะมันมีไม่มากเขาจะต้องคัดเลือกหญิงที่งามจริงๆคัดเลือกหญิงงามเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของเมือง ใครมาเมืองนี้มาดูหญิงคนนี้เราจะชมว่าเมืองนี้ผู้หญิงสวยนีนะแล้วก็มีค่าจ้างให้ไปร่วมหลับนอนด้วยเนี่ยแพงๆต้องระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือพระราชาเท่านั้นถึงจะได้เฉยชมหญิงงามเมืองนี้หญิงงามเมืองท้องคลอดลูกมาเป็นผู้ชายไม่ต้องการต้องการลูกสาว เพื่อสืบต่อตําแหน่งตัวเองพอเป็นลูกชายทําไงวิธีง่ายๆทิ้งทิ้งถังขยะทิ้งทังขยะเป็นเทวดานะมาเกิดเป็นคนถูกทิ้งถังขยะดูสิความความโหมดร้ายของเกมนี้ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเล่นเกมอยู่ดีๆเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นนะลืมกินข้าวเล่นเกมหรือกินข้าวมีไหมคนก็มีนะ เล่นเกมจนไม่กินข้าวนะอืมแต่ไม่ตายนะแต่เทวดาเนี่ยไม่กินข้าวตาย <_ especially> เพราะอะไรเพราะเทวดาร่างกายเป็นทิพย์ร่างกายเป็นทิพย์นี่คืออ่อนมากมันเหมือนกับว่าต้นไม้กับกลีบบัวกลีบบัวนี่บางมากต้นไม้ไปตากแดดไม่เหี่ยวกลีบบัวนั้นไปตากแดดเหี่ยวอันนี้ทิพย์ยิ่งกว่ากลีบบัวอีกความละเอียดอ่อนของกายที่ว่าเป็นทิพย์เนี่ยละเอียดอ่อน อดอาหารนิดเดียวตายเลยได้ความเพลินของเทวดาเนี่ยนะเพลินพอจะล่อให้อดอาหารได้ด้วยโอ้หางฟ้าโอ้หางฟ้าเหาะไปดูนางฟ้าเนี่ยนะลันลาลันลาลันลาไปลันลามาตายตายปุ๊บเทวดาไม่มีซากศพนะกลายเป็นทิพย์เนย น, นะไม่มีซากศพ บ, บนเทวดาไม่มีสุสานไม่มีสุสานตายแล้วกลายหายไปเลยมาเกิดเป็นเด็กถูกทิง้งทําไมถูกทิง้ง พร อ, อะไรเพราะชาตินั้นอ่ะอุ้มลูกแล้วขี้เกียจอุ้มวางแม่เอาไว้นี่เกมเนี่ยนะทําอะไรไว้ได้รับผลอย่างนั้นวางแม่เอาไว้ถูกทิ้งไว้แล้วนะวันนั้นเนี่ยก็มีคนมาดูได้ยินเสียงร้องเด็กก็เก็บเอาเด็กไปวันนั้นเองสว่างขึ้นมา เศรษฐีไปเข้าเฝ้าพระราชาก่อนจะเข้าเฝ้าพระราชาไปเจอปุโรหิตรู้จักปุโรหิตไหมปุโรหิตก็มีความสามารถหลายด้านนะด้านเอกเอกเลยคือดูดวงเก่งดูดวงแม่ น, นไหนๆก็เดินผ่านคนดูดวงแม่นแล้วก็ถามดวงสักหน่อยท่านปุโรหิตวันนี้มีอะไรพิเศษไหมปุโรหิตก็ดูดาวจับยามดูอ๋อวันนี้ไม่ไมีอะไรมาก แต่คนเกิดวันนี้เนี่ยนะจะเป็นมหาเศรษฐีนี่บอกแค่นี้โอ๋อเหรอเมียเราท้องแก่พอดีเลยน่าจะคลอดแล้วล่ะนึกในใจนะถ้าคลอดวันนี้ได้ดีมากเลยเพราะว่าปุโรหิตบอกแล้วว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีเข้าฟฝ้าพระราจาเสร็จรีบกลับบ้านเลยคลอดอยังคลอดอยังเอ๊แล้วคนเกิดวันนี้เนี่ยในเมือ ง, งนี้มีไหมส่งคนไปถามเลยนะ หาไปทั่วได้ข่าวว่ามีคนเก็บเด็กแรกเกิดไปเลี้ยงสั่งคนบอกว่าไปซื้อมาไปซื้อเด็กคนนั้นมาเอามาเลี้ยงตั้งใจไว้ว่าถ้าเด็กนี้โตขึ้นมาแล้วแล้วลูกเราเกิดขึ้นมาลูกเราถ้าเป็นผู้หญิงจะให้แต่งงานกับเด็กนี้มีอย่างน้นนอยก็ มีลูกเคยเป็นเศรษฐีถ้าลูกเราเกิดมาเป็นผู้ชายไอเด็กคนนี้เป็นศัตรูกับลูกเราต้องฆ่าเด็กคนนี้ทิ้งทัศนเพราะว่าพ่อเนี่ยก็อยากให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นเศรษฐีต่อถ้าตาบดไอเด็กคนนี้ที่เกิดวันนี้แล้วเขถูกทำนายว่าจะเป็นเศรษฐียังอยู่ลูกเราจะไม่ได้ตำแหน่งเศรษฐี คิดโง่ๆหมมันน่าจะให้เป็นเพื่อนกันเนาะ mm. เออลูกเราจะได้มีเพื่อนเป็นเศรษฐีอยากมีเพื่อนเป็นเศรษฐีไหมเออแต่นี่คิดผิดเพราะอะไรไม่มีคนบอกกติกาเขาไว้แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยถูกที่เขาที่เขารักลูกแบบนั้นถูกแล้วจะทำทุกอย่างเพื่อลูกตัวเองถูกคิดอย่างนี้แล้วรอวันคลอดคลอดออกมาเป็นผู้ชาย เศรษีเราบอกว่านี่เอาเด็กไปทิ้งเอาเด็กไปทิ้งหน้าค อ, อกวัวเราจะไม่ฆ่าเองให้วัวออกจากค อ, อกแล้วเหยียบเด็กให้ตายเนียนไหมเนียนมากเลยนะวางแผนคิดกึ๊บกึ๊บกอ๊บนี้ขออของตัวเองนั่นแหละเศรษฐีมีวัวเยอะความที่ตัวเองมีเงินเยอะก็ซื้อวัวได้เยอะ ไปวางที่หน้าคอกปกติแล้วเนี่ยพอตอนเช้าก็จะเปิดคอกวัววัวลูกฝูงทั้งหลายเนี่ยก็จะเดินทยอยมาสัตกตกึตกๆๆไม่รอดแน่แต่เช้านั้นเนี่ยปรากฏว่าตัวหัวหน้าวัวตัวหัวหน้าเดินออกมาก่อนแล้วยืนคล่อมเด็กเอาไว้ลูกฝูงทั้งหลายก็เดินเบียดไปเบียดมาไอหัวหน้าก็ไม่ยอมไปลูกฝูงก็ต้อง ค่อยๆเบียดข้างๆออกแทรกออกไปจนพ้นไปแล้วไอ้คนเลี้ยงวัวก็เอ๊ะทำไมไอ้หัวหน้ามันไอ้วัวหัวหน้าเนี่ยมายืนปากทางไปดูอ้าวมีเด็กน่ารักดีเลยเรายังไม่มีลูกเก็บไว้ เ, เลี้ยงเป็นลูกตัวเองไอ้คนใช้ของเศรษฐีมาดูก็กลับไปรายงานบอกท่านไม่ตาย วัวขวางเอาไว้ไม่ตายแล้วคนเลี้ยงวัวเก็บไปเลี้ยงแล้วไปซื้อมา <c oughs> นี่เสียสองต่อแล้วนะไปซื้อมาแล้วคิดใหม่วัวเราเนี่ยมันโง่ไม่ยอมเหยียบเด็กเพราะฉะนั้นเอาไปวางไว้กลางถนนพรุ่งนี้นะเช้า ม, มืดเอาไปวางกลางถนนถนนสมัยก่อนใจเกวียนถ้าสมัยนี้นะวางมอเตอร์เวย์เสร็จแน่เลยนะ โดยเฉพาะปีใหม่นะเรียบร้อยลดเยอะไปวางกลางถนนและให้เกวียนทับวางแต่มืดเลยนะอย่าให้ใครเห็นไปวางประวางเสร็จแล้วปรากฏว่าเกวียนคันแรกออกมาเกวียนเนใชัยอะไรใช้บัวใช่ไหมแล้วบัวก็ทําแบบเดิมยืนคล้องออาไว้ไม่ไปไอ้คนขับเกวียนก็โบยเอาปลาตักแทงรู้จักปลาตักไหม ต่อประตักเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเจอใช่ไหมไม้แล้วมีปลายเหล็กแหลมแหลมจิ้มจิ้มจิ้วัวก็ทนเจ็บอ้ยเ้ยแล้วไม่ไปไม่ไปอะไรวะทําทไมวัวตัวนี้มันเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างงี้เหรอลงไปดูมีอะไรเกิดขึ้นมีเด็กอยู่โอ้น่ารักเก็บมาเลี้ยงกูยังไม่มีลูกอยู่พอดีเลยอไอ้คนนั้นก็ดูแล้วโอ้รีบกลับไปรายงานเศรษฐีเศรษฐีบอกรีบตามไปเลยนะซื้อมา สามทีซื้อมาแล้วเศรษฐีก็คิดทำไงดีใช้วัวเหยียบใช้วัวเทียมเกวียนเหยียบไม่ผ่านไปทิ้งปา่าช้าไปทิ้งป่าช้าเนี่ยนะป่าช้าเนี่ยมีภัยอะไรบ้างหนึ่งมีผีใช่ไหมแต่เด็กไม่กลัวผีนะสิ่งที่จะทำให้เด็กตายในป่าช้าคือกาแรง้งหมา ที่มากินซากศพไปทิ้งทิ้งเสร็จปรกากฏว่าเช้าขึ้นมามีคนเลี้ยงแพะเดินผ่านป่าช้าผียังไม่ทันหลอกแพะเห็นเด็กดิ้นกระเด๋วกระเด๋วแพะเกิดเมตตายืนคล่อมให้ดูดนมด้วยเด็กดูดนมอิ่มสบายนางคนใช้ก็ดูกลับไปแรงงาน ก่อนจะกลับรายงานเนี่ยคนเลี้ยงแพะไอ้แพะตัวนี้ทำไมเข้าป่าช้าไปดูอ้าวมีเด็กไม่ใช่ผีอุ้มเก็บไปเลี้ยงเป็นลูกตัวเองไปรายงานเสร็จทีไปซื้อมา <laughs> <laughs> กี่ต่อแล้วเนี่ย <laughs> ทิ้งป่าช้าก็ไม่ตายเอางี้ไปทิ้งที่เหวคนสมัยก่อนนั้นนะจะมีเหวทิ้งโจรเวลาเขาตัดสินประหารชีวิต มีหลายแบบนะมีหลายรูปแบบในการที่จะฆ่าคนนะมิรูปแบบหนึ่งคือเอาไปทิ้งที่เหวเธอเอาเด็กนี้ไปทิ้งเหวทิ้งเองนะคราวนี้ไม่ยืมมือใครละยืมมือวัวยืมวัวไม่มีมือเนาะยืมเท้าวัวมันก็ไม่ยอมเหยียบยืมล้อเกวียนมันก็ไม่ยอมเหยียบยืมผียืมหมายืมอีกาอีแรงไม่ยอมกินฆ่าไม่ได้แกจัดการเองโยนลงเหว ก็ไปโยนฟุตกไปในที่ยอดไผ่แลยอดไผ่เนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะตกไปถึงกลางไผ่ใช่ไหมแลนะอาจจะถูกหน่อไม้ทิ่มตายใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แต่ปรากฏว่าไผ่กอนี้เนี่ยมีเถาวันปกคลุมหนามากเด็กเนี่ยเหมือน โยนใส่เบาะนุ่มๆเหมือนเศรษฐีที่บบล้มบนฟูกอ่ะ <c oughs> เด้งไปเด้งมาตกใจนิดหน่อยร้องแว้แว้มีคนเป็นช่างจักสารรู้จักช่างจักสารไหมช่างจักสารก็คือมีหน้าที่ไปหาไม้ไผ่มาสารเป็นกระบุงตะกา้าได้ยินเสียงร้องเกิดอะไรขึ้นไปดูสิมีเด็กโอ้ดีจังเอาไปเลี้ยงนั่งคนใช้ดู อยู uh, to to and right. Honestly, you know you ่บนยอดเหวอ้าวไม่ตายกลับไปรายงานเศรษฐีไปซื้อกี่ทอดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเศรษฐีหมดมุกคิดไม่ออกไม่รู้จะฆ่าเด็กคนนี้แบบเนียนๆแบบไร้ร่องรอยยังไงเพราะว่าสมัยก่อนน่นะฆ่าคนเนี่ยโทษเยอะถึงประหารชีวิตเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่ให้เด็กนี้ตายโดยที่ตำรวจจับไม่ได้ ปรากฏว่าทำยังไงที่จะให้ตัวเองฆ่าเด็กคนนี้แล้วก็ใครจับตัวเองไม่ได้คิดไม่ออกหมดมุกจนเด็กโตเด็กโตเนี่ยนะเลี้ยงเด็กให้โตจริงๆเลยโตอย่างเดียวไม่ส่งเข้าโรงเรียนลูกชายตัวเองที่เป็นเหมือนเป็นน้องเนี่ยนะส่งโรงเรียนไอพี่นี่ก็ไม่เรียนหนังสือเลยเล่นอย่างเดียวเล่นบ้างทำงานบ้างเก่ง เก่งเล่นเก่งทํางานแต่อ่านหนังสือไม่ออกเศรษฐีก็นึกขึ้นได้เริ่มมีมุกที่จะฆ่าคนมันคิดผิดตั้งแต่ตอนคิดว่าลูกเราเป็นผู้ชายจะฆ่าเด็กคนนี้คิดผิดตั้งแต่แรกแล้วนะความคิดผิดอันนั้นเน่ยสืบทอดมาหลายปีจนเด็กโตเริ่มคิดออกว่าใช่เรามีลูกน้องเป็นช่างปั้นหม้อ ด้วยช่างปั้นหม้อไหมช่างปั้นหม้อเนี่ยจะเอาดินมาปั้นเป็นภาชนะและเข้าเตาเผาเตาเผาเนี่ยต้องแรงมากนะต้องใช้ใช้เชื้อเพลิงแรงใช่เลยเราจะให้ไอเด็กคนนี้ไปหาช่างปั้นหม้อแล้วเราจะเขียนจดหมายแล้วก็เขียนจดหมายนะเขียนจดหมายไปว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเรา คือเลี้ยงในฐานะลูกแต่ว่าซื้อมานะซื้อมาแล้วก็เลี้ยงว่าเป็นลูกแต่ไม่สอนไม่ไม่ให้เรียนหนังสือลูกเราคนนี้เป็นลูกในละคุณขอให้ท่านจงจับเมื่อถึงเมื่ออ่านจดหมายนี้แล้วจงจับลูกของเราสับเป็นชิ้นๆแล้วเข้าเตาเผาไปซะทำลายหลักฐานทำเสร็จแล้วรายงานมาเราจะให้ต่างวันเขียนไปส่งให้ เด็กคนนี้ชื่อโคสกะตอนเป็นเทวดาก็เป็นโคสกะนะเกิดขึ้นมาก็ชื่อว่าโคสกะโคสกะมานี่มาหาพ่อหน่อยเรียกพ่อด้วยนะเอ ม, มาหาพ่อหน่อยเอานี่นะไปหาช่างปั้นหมอ้อเมืองนั้นเมืองนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นรู้จักไหมอ๋อรู้จักลูกน้องพ่อนี่ใช่ลูกน้องพ่อเนี่ยแหละเอา้าจดหมายนี่เอาไปให้เขานะะทําเสียงแบบนิ่มๆเลยนะไปให้เขานะอครับรีบไปนะครับ ห้ามให้คนอื่นไปแทนนะครับไปนี่ย้าแบบให้ชัววิ่งไปผ่านลานหน้าบ้านไอ้น้องเนี่ยลูกเศรษฐีตัวจริงเนี่ยนะกำลังเล่นเล่นเกมเล่นเกมไม่ใช่เล่น iPad นะเล่นเกมสมัยนั้นคือเล่นอาจจะเล่นลูกหินก็ได้นะปรากฏว่าเล่นแพ้เล่นแพ้เสียเสียของเล่นตัวเองเสียรางวัลตัวเองไปเรื่อยเสียขนมไปเรื่อย เจ็บใจตัวเองเป็นเป็นเด็กเด็กเรียนม า, มากจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะพอพี่มาพี่มาเล่นแทนทีเอาขนมคืนมาให้หมดเลยนะพี่บอกไม่ได้โศกศก พ, พี่นะงบอกไม่ได้พ่อใช้ให้ไปหาช่างปั้นหม้อหน้าพี่เล่นไปก่อนไอ้ช่างปั้นหม้อเดี๋ยวฉันไปเองพี่เล่นเอาขนมคืนมาให้ได้นะเอามาให้หมดเลยพี่เก่งรู้ว่าพี่เล่นเก่งเล่นได้ไม่ได้เดี๋ยวพ่อดุไม่ดุหรอกพ่อรักฉัน ไม่ดูหรอกเดี๋ยวฉันไปแล้วกลับมาแล้วบอกข้อให้เรียบร้อยไปถึงอ่านจดหมายสับเข้าเตาพอจดหมายบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวได้รางวัลเรียบร้อยยิ้มกลิ่นจัดการงานให้เศรษฐีเรียบร้อยแล้วโคศกะเล่นยันเย็นเลยได้ทั้งรางวัลได้ทั้งอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยเด็กพวกนั้นขยันหมดกลับบ้านโคศกะโคศกะกลับบ้านด้วยเหมือนกัน เศรษฐีเห็นอ้าวใช่ให้ไปหาจ่างบรรทม่ทาไมไม่ไปอ๋อเจอน้องแล้วน้องบอกว่าให้ช่วยเล่นเกมแทนทีแล้วน้องไปแทนฮะแกะว่าไงนะน้องไปแล้วแต่ไม่ยอมกลับมาสักทีนี่เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเศรษฐีนี่อ้าปากค้างค้างนานไม่ได้ต้องวิ่งไปหาเผื่อยังไม่ฆ่าไปแล้วปรากฏว่าต้องจ่ายกระรางวัลอีกซากศพไม่เจอแล้วเพราะว่าเต่าแรงมาก คราวนี้กลับมามึนนึกมุกไม่ออกอีกนานคราวก่อนก่อนที่ให้ข้าเสียตังซื้อหมาใช่ไหมคราวนี้นอกจากจะเสียตังแล้วเสียลูกด้วยมึนคิดมุกไม่ออกจนโคสกะโตประมาณจักสิบหกขวบสิบหกปีเริ่มนึกมุกออกใช่ใช่เรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งลูกน้อง อยู่ทางนูน้นไกลๆพวนี้ไม่รู้ข่าวว่าเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะส่งโกรสกะไปให้ไอ้นั่นค่าคิดจดหมายลูกเราคนนี้เป็นลูกในละคุณมันเป็นหนามทิ่มแทงใจเรามานานหลายปีแล้วจนบัตรนี้ไม่สามารถจะทำให้มันสิ้นชีตได้สักทีเจ้าเห็นจดหมายนี่แล้วจงฆ่าลูกคนนี้ให้เราทีแล้วฆ่าเสร็จเมื่อไหร่รายงานมา เราจะให้รางวัลทำไมให้ไปค่ายไก ล, กลตำรวจจะได้ตามไปไม่ถึงแล้วบอกโคศกบ้านนู้นนะอยู่เมืองนั้นนะไปถูกไหมถูกครับแต่โอ้โหไปวันเดียวไม่ถึงอะ่โกะโคศกก็เก่งนะกะระยะทางถูกอะ่ะมันไปวันเดียวไม่ถึงไปวันเดียวไม่ถึงใช่ไหมไปค้างบ้านนูน้นเพื่อนเราเป็นเศรษฐีบ้านนอก เพื่อนเราคนนั้นอนะไปนอนพักบ้านนั้นไปกินอาหารบ้านนั้นนะไม่ลงทุนเลยนะไม่ให้อาหารไปติดติดตัวไปด้วยไปพักบ้านนั้นรู้จักปะอ๋อรู้จักรู้จักเอาไปพักบ้านนั้นนะเสร็จแล้วค่อยไปบ้านนู้นนะอืมไปโคสกะเอาจดหมายเน็บเอวแล้วก็ไปไปถึงบ้านเศรษฐีที่เป็นเพื่อนไปเคาะประตูบอกว่าผมโคสกะลูกเศรษฐีในเมืองพ่อบอกว่าให้มาพักบ้านนี้ซื่อมาก แล้วก็เศรษฐีก็อ๋อเหรอเป็นลูกคนนั้นเหรออ๋อออไปพักห้องนั้นเลยเศรษฐีบ้านนอกคนนั้นมีลูกสาวลูกสาวก็คือเมียเก่านั่นแหละในชาติโน่นลูกสาวนั้นเห็นว่ามีคนมารู้สึกว่ามีคนมายังไม่เห็นนะรู้สึกว่ามีคนมาเห็นเขาจัดห้องอะไรกันไปถามคนใช้บอกว่ามีใครมาอ๋อโคสกะลูกเศรษฐีในเมือง มาขอพักเดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้จะไปพอได้ยินชื่อท่านนั่นเองรักเลยเคยขนาดนั้นไหมได้ยินชื่อเจมจิรักไหมรักเลยนะด้วยความที่มันผูกพันกันมานานโหต้องเห็นหน้าให้ได้รอให้เขาหลับ แล้วแอบไปหลับง่ายมากเลยเพราะว่าเดินเหนื่อยมาทั้งวันพอถึงห้องปุ๊บหลับเลยหลับก็แอบเข้าไปไหนดูสิอะไรว่าไม่มีสมบัติอะไรเลยลูกเศรษฐีภาษาอะไรไม่มีสมบัติอะไรเลยดูไปดูมามีจดหมายอะไรเนี่ยหยิบ อ, อามาอ่านฮะไอโง่เนี่อะไรเน็บจดหมายฆ่าตัวเองมาเอามาจากเมือง เพื่อไปตายก็เลยเขียนใหม่รักนี่ยใช่ไหม <sk ill> เขียนใหม่ลูกคนนี้เป็นลูกรักของเราท่านเนี่ยเป็นคนที่เราไว้ใจอยากจะให้ท่านทำงานสำคัญให้เราสักหน่อยงานสำคัญอันนี้ไม่มีใครเหมาะเท่าท่าน ลูกเราก็ควรจะได้เป็นฝั่งเป็นฝา<笑><笑>บหมเดาวทางได้อย่างไม่มีใครเลยที่จะเหมาะเท่าลูกสาวเศรษฐีเพื่อนเราชื่อนั้นชื่อนั้นระบุแหมละเอียดมากเลยนะท่านจงจัดแจง นี่จะเริ่มเรียนสำนวนนะท่านจงจัดแจงงานนี้จัดการแต่งงานให้เรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อไหร่รายงานเราเราจะให้รางวัล <c oughs> เรียบร้อยตื่นขึ้นมาเช้าลาแล้วก็ไปหาให้คนคนนั้นก็ดีใจโอ้โหเราสาคัญขนาดนั้นเลยจัดงานแต่งงานให้นายนะนายเนี่ยอยู่ในเมืองไม่ยอมจัดโรงแรมใหญ่ๆอยู่ข้างในไม่ยอมจองมาให้เราจัด ภูมิใจนะได้รับงานสําคัญจัดงานแต่งงานให้ลูกนายเตรียมสู่ขอแต่งงานปุ๊บอยู่บ้านนั้นต่อลูกสาวไม่ยอมให้กลับเพราะกลับตายแน่ส่งข่าวไอ้คนจัดงานเนี่ยนะก็ส่งข่าวอยากได้รางวัลใช่ไหมส่งข่าวส่งข่าวไปพวกว่าเศรษฐีก็อักเลือดอะไรวะกูให้ไปตายดันได้เมีย <c oughs> จะให้ไปตายดันได้เมีย เ, เกิดอะไรขึ้นมีอะไรเออร์เรอไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เลยจดหมายไปเรียกให้โคสกะกลับมาคราวนี้กูไม่ใช่ใครแล้วกูจะฆ่าเองเลยคิดอย่างนี้เลยนะแต่เมียรู้เพราะรว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วก็เศรษฐีเนี่ยต้องการจะฆ่าโคสกะมีจดหมายเรียกมีหมายเรียกมานะมีจดหมายเรียกปรากฏว่า ไม่ถึงมือโคศกะสักทีไม่ถึงมือโคศกะเพราะว่าอะไรโคศกะอ่านไม่ออกจดหมายมาก็อ่านทีอ๋อพ่อคิดถึง <c oughs> <c oughs> ถามข่าวเป็นยังไงมีความสุขดีไหมอ๋อเหรอแม่พ่อนี่ดีจริงๆเลยแต่เมียเนี่ยรู้ตลอดเลยว่าจดหมายมาเรียกหลายคราวหลายคราวเรียกหลายวันไม่กลับมาสักทีเรียกสายหลายครั้งนะไม่กลับมาสักที ความกระอักเลือดแล้วกระอักเลือดอีกป่วยจะตายเขานี้จะตายจริงๆคนจะตายคือเศรษฐีที่จะฆ่าเขานะถึงตอนนี้นะถูกพยายามฆ่ากี่ทีนับได้ไหมเจ็ดทีทำไมเจ็ดทีเพราะทิ้งลูกเจ็ดครั้งทำไมไม่ตายเพราะไม่ได้ฆ่าลูกลูกไม่ได้ตายเพราะตัวเองฆ่านี่นะ แล้วมีบุญตอนที่เห่าพระปัจเจกพุทธเจ้าพาพระปัจเจกพุทธเจ้ามากินข้าวที่บ้านนายตัวเองบุญตันนี้นะรักษาเอาไว้ไปทิ้งป่าช้าก็มีนมดูด <c oughs> ไปไหนไปไหนก็ไม่ตายมีบุญรักษ า, าไว้นี่นะคนเราเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยมีทั้งบุญทั้งบาปเราเกิดมาเล่นเกมก็มีทั้งแต้มบวกแต้มลบคราวใดที่ลําบากเนี่ยนะแต้มลบให้ผล เขาใดที่สบายแต้มบวกให้ผลโคสกะพอถึงเวลาแล้วมีสืบข่าวส่งคนไปดูซิว่าอาการหนักขนาดไหนแ ล, ลอแรอแล้วลอรอแล้วไปได้ <c oughs> ไปถึงนะทำไมต้องรอแล้เพราะว่านอนแมปรู้จักแมปไหมแมปกับพื้นเดี๋ยวนี้ <c oughs> คือหมอบนอน ไปไหนไม่ได้แล้วแมพก็เลยไปไปถึงเนี่ยเข้าหาพ่อเศรษฐีก็รวบรวมกำลังขึ้นมาจะพูดว่าสมบัติทั้งหมดเนี่ยไม่ให้แก่แต่ภาษาบาลีเนี่ยนะมันจะแปลจากหลังไปหน้ามันจะกลายเป็นว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะสมบัติทั้งหมดนี้ให้แก่ก็หาไม่ อนะพอบอกว่าสมบัติทั้งหมดนี้ให้แก่ยังไม่ทันบอกว่าก็หาไม่เพราะว่าตอนนั้นมันมันกำลังแมบอยู่นะเมียเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเศรษฐีเนี่ยต้องการให้โกศกะตายแล้วก็คงเป็นศัตรูกับโกศกะพอเศรษฐีค่อยๆพูดมันจะไม่พูดเร็วอย่างอาตมาพูดอย่างนี้นะจะบอกว่าสมบัติทั้งหมดนี้ ให้แกแค่นี้นะเมียรู้เลยโฮ่ร้องให้โฮเลยนะพ่ออย่าพนตายแล้วก็โปะไปที่ปาก <c oughs> โมเลยนะให้แกโปะไปโฮพ่อโอ้ยร้องไห้ข้าครวนพ่อก็เลยตาย <c oughs> <c oughs> เสร็จทีตายพ่อเมียร้องไห้โปะปากเพราะพ่อตาย แล้วก็ทุกคนได้ยินคํานี้หมดเลยว่าสมบัติทั้งหมดนี้ยกให้โคสกะเลยเป็นเศรษฐีตามคําทํานายถ้าเศรษฐีนั้นจิตใจดีสักหน่อยนะลูกก็อยู่และได้เป็นน้องเศรษฐีหรือไม่ก็เป็นเพื่อนเศรษฐีดีจะตายเพราะคิดผิดไม่รู้กติกาของเกมชีวิตทําผิดแล้วผิดอีก ผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดเล่าฆ่าหลายทีก็ไม่ตายและยังไม่สํานึกตายไปแล้วก็ตกนรกโคศกะทําบุญจึงได้เป็นเทวดาบ้างทําบุญแล้วเพลินตายจากเทวดาแป๊บเดียวเกิดเป็นเทวดาแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวที่ว่านี่นะนับชีวิตคนแล้วก็หลายปีนะเทวดาเนี่ยอายุยืนประมาณวันเวลาของเทวดาเนี่ยมันหนึ่งวันเขาเนี่ยเท่ากับร้อยปีมนุษย์ เพล น, นั้นเขาเพลินเหาะไล่ตามนางฟ้าจนอดอาหารตายนะมันก็นานสำหรับเราเหมือนกันนะมันก็พอที่จะตายได้จากเทวดา <c oughs> นี่ความเป็นเทวดายังอยู่ในกาสมาพบนะพอเห็นโทษของกามฝึกจิตฝึกจิตให้เกิดสมาธิได้ชานได้ไปเล่นเกมในที่ที่สบายกว่าเทวดาเยอะเลยเคยไปไมะ เป็นพระพรหมเคยไหมตามสีแยกไ ม, ไม่เคยนะพระพรหมที่ว่าเนี่ยมีกายใหญ่กว่าเทวดามากเวลาพระพรหมจะมาหาเทวดาเนี่ยนะพระพรหมเวลามาเนี่ยนะต้องย่อตัวรีไซต์ก่อนต้องย่อตัวเองให้เล็กลงมาขนาดเล็กแล้วก็ยังใหญ่กว่าเทวดามากเลยพระพรหมทำฌานได้จะอยู่ในชั้นรูปประพม พระพรหมที่ทำอรูปฌานได้จะอยู่ในชั้นที่เรียกว่าอรูปภพแต่จะไม่ว่าจะพรหมชั้นไหนก็ตายเข้าฌานก็ต้องออกฌานหมดกำลังฌานก็ต้องตายจากพรหมมาเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างไปเป็นเดรัจฉานก็ยังมีตกจากพรหมนะมาเป็นเดรัจฉานก็มีจากพระพรมมาเป็นลูกหมูก็มีนะยังไม่เล่าเดี๋ยวยาว <laughs> วนเวียนอยู่อย่างนี้นะแล้ววนเวียนอย่างนี้มานับชาติไม่ท้วนตลอดสังสารวัตรพวกเราเนี่ยวนไปวนมาแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกามภพนอกจากบางชาติทำฌานได้ก็ไปเป็นพระพมอยู่รูปภพ บ, บ้างอรูปภพ บ, บ้างหมดอายุกลับมาเกิดอีกออกจากเกมนี้ไม่ได้อยากออกไหมเบื่อไหมถ้าไม่เบื่อเป็นคน ทำบุญไว้ไปเป็นเทวดาลืมตกอีกความน่ากลัวของเกมนี้คือเกิดใหม่แล้วลืมโยมระลึกชาติได้ไหมไม่ได้โยมระลึกชาติได้ไหมไม่ได้ความน่ากลัวคือมันลืมความลืมเนี่ยทาให้วนไปวนมาไม่รู้จบแล้วเกิดที่ไร ท, ทุกทุกที เกิดทีไรทุกทุกทีแต่มีสุขเจือบ้างพอให้อยากเกิดอีกแต่เกิดที่ไรจะมีทุกขรออยู่ข้างหน้าทุกทีทุกอะไรรออยู่ข้างหน้าทุกแก่บางคนบอกไม่รอข้างหน้ากําลังเป็น <laughs> ทุกเจ็บและทุกที่แย่ๆเลยทุกตายใช่ไหมทุกเนี่ยนะมันไม่ได้วิ่งไล่เรานะเคยเห็นเด็กเล่นเกมแบบวิ่งวิ่งวิวิ่งเนยนะมันจะมีตัวอะไรไล่อยู่เนี่ยนะ แต่ทุกเนี่ยไม่ได้วิ่งไล่เราทุกมันดักรอเราจะเป็นระยะระยะมันไม่เสียแรงวิ่งไล่ตามเราหรอกแต่เราเนี่ยต้องเดินไปหามันความน่ากลัวของการเกิดการตายก็คือว่าต้องทุกอยู่สเสมอมีทุกเป็นสเต็ปสเต็ปจนร่างกายในชาตินั้นทนไม่ได้ตายแล้วก็เกิดอีกมาทุกใหม่น่ากลัวไหมถ้าใครยังไม่รู้สึกว่าน่ากลัวทาบุญเยอะ บุญเยอะๆจะได้เล่นเกมชีวิตนี้ในชั้นสบายๆอย่าไปทำผิดศีลห้าข้อห้าข้อนี้เท่านั้นเองไม่ยากแต่ถ้า